วันนี้ไปตั้งใจอธิษฐานจิตทำสมาธิภาวนาบูชาพราพุทเจ้าจะนั่งสมาธิภาวนาเพื่อปฏิบัติบูชาพราพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์เพื่อให้จิตของข้าพเจ้ า, า, าเป็นสมาธิปติระวังรู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงในคำสอนของสมเด็จตัสัมมาสัมพุทธเจ้า การเอินโคโถคำโมสังโถโคโถคำโม โคเพียงคำเดียวโค้พลอมลมเข้าโค้ปอมลมออกหรือถ้าการกำหนดลมมันลำบากก็นิกโค้ดโคุ้โค โ, โ, โเพียงคำเดียวทำจิตให้แนวแน่ ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระ ส, ระสงอยู่ในจิตของเราเราจะกำหนดเอาจิตของเรากรับพุทโธให้อยู่ด้วยกันไม่รากจากกันในพันต้นต้น ให้พยายามบริกรรมภาวนาพูโทพูโทผูโทผโนึกผูโทด้วยความรู้สึกเบาเบาอย่าไปขมจิตอย่าไปบังคับจิตแต่ว่านึกพูโทไม่อยู่ กำหน ด, ดลลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับพุทโธก็พุทโธลมเข้าอาพุทลมเข้าโธลมออกกาหนดรูพร้อมกันอยู่อย่างนี้แล้วไม่ต้องไปเลือกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะสวาง เมื่อไรจะรู้โน้มเห็นนี่ไม่ต้องไปนึกทางนั้นหน้าที่เพียงแค่นึกบริกรรมภาวนาพุโตผู้โตผู้โตผู้โตผู้โตโอยู่ในจิตอย่างเดียวจิตจะสงมให้เป็นเรื่องของจิตเอง จิตจะไม่สงบก็ให้เป็นเรื่องของจิตเองหากในขณะใดผิดยังนึกโุตรโคตรโคตรโุตรอยู่ก็ปล่อยให้นึกอยู่อย่างนั้นาขณะใดนึกโุตรไปจิตอยู่โุตรไปนิ่ง วาอยู่เฉยๆแต่รู้สึกกายเบาอิดเบาก า, า, ายสงบจิดสงบคือสงบจากทุกขเวทนาหายปวดหายเมื่อยหายมึนแม่อิตจะใหนิ่งอยู่เฉยๆก็ปล่อยให้นิ่งอยู่อย่างนั้น หลังจากนั้นถ้ า, าว่าจิตหยุดนิ่งไปน้อถึงสิ่งใดลอยให้จิตคิดไปแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปธรรมชาติของจิตถ้ามีความคิดก็เราตั้งใจกำหนดรู้เขาจะหยุด ค, คิด แล้วเกิดความว่างขึ้นมาให้กำหนดรู้อยู่ที่ความว่างให้คิดรูอ้อยู่ที่ความคิดสลับปันไปอย่างนี้อันนี้เป็นการภาวนาในขั้นต้น เข้าใจว่านักปฏิบัติของเรายังไม่ได้สมาธิแน่นอนเขาที่พิจารณาดูความเป็นของนักปฏิบัติทั้งหลายทั้งรแรพจิตและครรหัสโที่ทำจิตให้เป็นสมาธิดได้จริงๆนีไม่มีน้อย สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะนักปฏิบัติทั้งหลายไปชิงสุขก่อนอารมหรือรู้ตามสัญญามากกว่าความเป็นจริงไปสำคัญว่าเรามีความรู้เรามีความเห็นแต่มันเป็นความคิดรู้เอาโดยสัญญา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 แทนที่จิตจะไปวุ่นวายทำความดีใจเสียใจกับสิ่งที่มากระทบจิตเพิ่งเข้าไปกำหนดรู้ที่จิตแล้วพิจารณาเหตุผลแห่งอารมณ์นั้นๆแล้วก็ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบนิง่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบาน นีธาสมาธิมีอยู่โดยปกติแล้วจะเป็นอย่างนี้ผู้ที่ทำสมาธิภาวนาได้สมาธิได้สติแม้แต่เพียงได้อุปจารสมาธิหรือมีสติกำรหรนดูเตรียมพร้อมอยู่ที่จิตตลอดเวลา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 เวลานอนสติสัมปชัญญะจะรู้พ้อมอยู่ที่การนอนเวลารับทานสติสัมปชัญญะจะรู้พ้อมอยู่ที่การรับทาน i i เวลาเด่มสติสัมปชัญญะจะรู้พ้อมอยู่ที่การดืม่มเวลาทําอะไร สติสัมปชัญญะจะรู้พ้อมอยู่ที่การทำเวลาพูดสติสัมปชัญญะจะกำหนดรู้อยู่ที่การพูดเวลาคิดสติสัมปชัญญะจะตามรู้ความคิดตลอดเวลา เมื่อสติกหรรนดตามรู้สิ่งเหล่านี้อยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจมีปัญหาข้องใจอะไรเกิดขึ้นจิตจะมีสติกหนดพิจารณาสิ่งนั้นตั้งแต่ต้นจนปลายจนรู้เหตุรู้ผลรู้ผลได้ผลเสียแห่งสิ่งนั้ น, น, น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 ุนละทมที่จะปฏิวัติจิตให้ไปสู่มรรคผลนิพพานสติสัมปชัญญะก็จะกระตุ้นเตือนให้รีเพ่งมันขยันในภูมิสังเกตความเป็นไปของจิตของตนอย่างนี้เมื่อเรามีการเกี่ยวข้องกับคนอื่น เรามีความหวังดีต่อคนอื่นจากจะให้เขาประพฤ่อตีปฏิบัติชอบเมื่อเราให้คำแนะนำสั่งสอนตักเตือนเขาถ้าเขายอมรับจิท่องเราจะทำหน้าที่ให้การอบรมตักเตือนสั่งสอนเรื่อยไปด้วยความเมตตาบานี ด้วยความหวังดีที่จะช่วยพระยุงความระพฤติใวาจาและใจให้มีระดับสูงขึ้นเป็นการสงฆ์กันด้วยธรรมเป็นการแสดงความเมตตากันโดยธรรมแต่ถ้าหากก็ช่วงใดผู้ใดไม่ยอมรับฟังโอว า, าท ร, รมสั่งสอน จิตของผู้รู้พิจารณาแล้วว่าทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะทำให้เกิดมีการรล้าวรานแตกสามัคคีซึ่งกันและกันก็หยุดเสียผู้ที่มีสมาธิมีสติมีปัญญาจะต้องเป็นอย่างนั้น เพระาะการจะเพิดปฏิบัติธรรมนี่มันข <c oughs> ึอนอยู่กับสมรรภาพของผู้ปฏิบัติเองสมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวอ้างว่าฉันจะยิบยืนบักตุนิพพานให้เธอเธอจงรับเอาด้วยมือทั้งสองข้างไม่เคยมีคำกล่าวไว้ที่ไหน แต่พระองค์จะกล่าวว่าอาขาตาโรตถาคตาละตถาธตเป็นแต่เพียงผูบ้บอบอกทางบุญทางกุศลทางบุ ญ, ท า, บญทางบาปทำสิ่งนี้เป็นบาปทำสิ่งนี้เป็นบุญความหนดทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งละเลิก เพิ่มได้สมาธิได้สติปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมตามคว า, า, ามเป็นจริงแต่สิ่งเหล่านั้นเราจตถาคหยีบยื่นให้เธอไม่ได้เธอต้องสละกำลังกายกำลังใจต้องปฏิบัติบอกวีระบุระลาสละชีวิตเข้าตูน่นรงสงคามโดยไม่ ย, นยออ่นย่อไม่ ไม่ยออ่อท้อและไม่มีความบาดเกรงสักตาพินิหารของข้าศึกแม้แต่ประการใดแลกปฏิบั ต, ติทั้งหลายผู้มีจิตใจเข้มแข็งยอมยอมเสียสละชี่เพียเพื่อบูชาพ่อวัดปฏิบัติ ไม่เห็นแก่ความสุขเพียงเล็กน้อยไม่เห็นแก่ฝากแก่ท้องไม่เห็นแก่ความสุขความสบายสนุกเพลิดเพินเพราะความสนุกเพลิดเพลินความสบายที่เป็นไปตามกระแสแห่งโรกโลกนั้นมันมีลักษณะเปรียบเทียบเหมือนปัจจายิดเพลินั้นตาล เรายังหลงอยู่ในราภลดสันเถินในความสุขละอำนาจนั่นแลเราหลงติดอยู่ในยาพิษเครือน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปแล้วมันเกิดมีรสหวานแต่เข้าไปตกถึงท้องแล้วมันทำให้ปวดแสบปวดร้อนเราแ ะ, ะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เราทำไป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 เราจะรู้สึกว่าเดือดร้อนเพราะการทำผิดถ้าทำมัินในมันจะเกิดเดือดร้อนวิปปิสาอดูตลอดเวลาเรียกเหมือนกับตนผู้ายที่ไปที่ต้นตัดช่องย่องเบาแย่งชิงทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตน ในขณะที่เขาทําการอยู่นั้นได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการเขาดีอกรีใจบางทีเกิดทีที่เกิดความสุขก็ได้สิ่งนั้นมาแต่ความสุขที่เขาได้มานั้นสิ่งที่เขาได้มานั้นนั่นแหละคื อ, อยาพิษเคลือบน้ำตาลได้มาแล้วจบรระบดีพ่อขวาดละแวงเอาไปไว้ที่ไหนก็วาดละแวง ทำความเดือดร้อนให้ดูตลอดเวลาดังนั้นสมณะหรือนักบวชนักปฏิบัติทั้งหลายขาดความตรงรับทักดีขาดความส่อตัดต่อพระธรรมวรินัยรขาดความส่อตรงต่อคำสอนของมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปแอบทำความผิดอยู่เฉพาะตัวแม่คนอื่นไม่เห็นแต่ตัวเองก็จด้อนเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นผู้ทำผิดดังนั้นการที่เรามาทำจิตทำใจทำสมาธิภาวนาก็พเพื่อจะสร้างจิตของเราให้มีพลังงานคือสมาธิให้มีสติคือความรู้สึกสำเนกกิตชอบเคื่อดี เราน้อมจิตน้อมใจน้อมอารมณ์เข้ามาสู่ใจเั่วให้รู้สภาพความจริงของใจของจิต้าเรารู้ว่าจิตของเรานี้มันยังเต็มไปด้วยเจตนาที่ชั่วร้ายเราก็พยายามปฏิบัติสีให้มันเพ่งคัดเข้า สิ่งใดที่มันมีเจตนามีแนวโน้มปะินทางบุญทางกุศลทางความดีทางศีลสมาธิภาวนามรรคผลนิพพานฝุกฝนอบรมจิตของตนเองให้มีความคล่งตัวต่อความเป็นเ่นนั้น ฐานตีบะลังสัพตีติขาความอดทนความอดกลั้นความทนทานเป็นสัพปกรรมคือความเพียรเผาผ่าจางยิ่งความโลกความโกรความหลงความรักความชอบความเกลียดมีกันอยู่ทุกคน เรามีเจตนามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติีปฏิบัติทอบเพื่อประจักษ์ิเลตทั้งหลายเหล่านั้นควรแหละหรือที่เราจะปล่อยจิตของเราให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสโดยปราศจากสติสมปัญญะความยักยังขั้งใจแหละขันติความอดทน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 เมื่อเรายังมีกิเลสอยู่การสัมผัสทางกายสิ่งที่ทำให้เราชอบใจก็มีไม่ชอบใจก็มีเราเนึกถึงอารมณ์ในทางจิตอารมณ์อดีตปัจจุบันละอนาคตความชอบใจไม่ชอบามชอบใจไม่ชอบใจก็ย่อมมีเพราะเรามีกิเลสอยู่ดูกันที่ตรงนี้ดีไหม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 เราจะปฏิวัติจิตของเราให้แปลสภาพไปในทางที่ถูกต้องหรือจะปล่อยให้มันเป็นไปต า, ามอารมณ์จิตที่บันทบหมายถึงชอบในสิ่งที่เป็นบาปอาุูษงในขณะที่เราแก้ไขมันยังไม่ได้ เราก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะพิจารณาดูคุณโทษประโยชน์แหละไม่ใช่ประโยชน์เราใช้ขันติความอดทนความอดกลั้นความทนทานจนมันเกิดเป็นตะปา ก, กรรมพราความเคยชินต่อการอดทนถ้า จ, จนเป็นนิใสยนิตัสหมายถึงความเคยชิน ทีแรกเราตั้งใจอดทนแต่ว่ามันอยากจะละเมิดร่วมเกินจิตใจมนุษยิติดติตอยู่เอาดีหรือไม่เอาดีแต่เราอาศัยความอดทนพยายาม้อนจิตนอมใจให้มันไปในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรเมื่อเพอลียลมันค่องตัวมันเป็นเล็กใส นิ้สยก็คคอความเคยกินตอนที่เรายังไม่มีศีลไม่มีธรรมการก้าวเดินของเราก็ไม่สุภาพเรียบร้อยกระโดดกระเดี่ยวลงส้นดังตึงตึงไม่ใช่สันดาลผู้ดี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 เพราะอาศัยความคล่องตัวนั้นความเบาความสมภาพอ่อนโยนมันจะเป็นไปเองโดยอัศโนมัตแม่การประพฤติสิ่งอื่นๆอันเป็นไปด้วยกายก็ดีก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยการฝึกหัดจนค้่องตัวจนเป็นนิสัย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 อดทนได้จนคล่งตัวจนเป็นเน็ดใสจนเราพูดคำหยาบพายไม่ได้จิตใจของเราก็ฝึกผนอบรมให้มีแนวโน้มนึกถึงคุณพบะพุทธธรรมประสงคุณศีลคุณทานที่เราบำเพ็ญมาแล้วในอดีตปัจจุบันและจะทำไปในอนาคตจนกระทั่งจิตของเรามีแนวโน้มไปในทางบุญทางกุศลตลอดเวลา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 สิ่งที่เป็นอุปนิสัยคือสิ่งที่เป็นเองโดยอัตโนมัติที่เราฝึกหัดไปจนคล่องตัวจนเป็นอุปนิสัยฝังแน่นอยู่ในจิตสัญดานสิ่งที่เป็นอุปนิสัยที่สะสมออกลมบ่มเอาให้มากมากมาเพิพ่มปูน้นหนักแน่นลงไป เป็นวาสนาเป็นบารมีในเมอถึงขั้นแห่งอุปนิสัยวาสนาบารมีุณ ง, งามความดีที่เราทำมาแล้วไม่ต้องนึกถึงก็ได้มันมีอยู่ในจิตของเราตลอดเวลาเวลาใครจะตายไม่ต้องตั้งใจภาวนาไม่ต้องตั้งใจนึกถึง เพราะสิ่งที่เป็นอุปนิสัยวาสนาบารมีนั้นมันมีอยู่แล้วในจิตของเราเมื่อถึงคราวจำเป็นเมื่อไรเมื่อถึงคราวเกิดเหตุได้เมื่อไรอุปนิสัยวาสนาบุญบารมีนั้นมันจะวิ่งขึ้นมา ช, ช่วยช่วยจิตช่วยใจของเรา เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เราฝึกขัดดัดนิสัยให้คล่องตัวต่อการทาําความดีฝึกขัดดัดนิสัยให้คล่องตัวต่อการละความทั่วคือความบาปบางก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดบ้างก็มีความโง่เฒ่าเต่าุ่ม บางกง้่อจนกระทั่งถึง้ขนาดที่ว่าทำฟังทำไม่รู้เรื่องบางกง้่อจนกระทั่งถึงขนาดที่ว่าทำฟังทำไม่รู้เรื่องฟังไปแล้วไม่รู้จะเอาไปทําอะไรไปปฏิบัติอย่างไรทางนี้ทางนั้นกเพราะอุปนิสัยวาสนาบารามีเก่าก่อน มาสนับสนุนให้เราเป็นเช่นนั้นกรัมสัตเตวิภัตชิติพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปต่างๆกันทุกคนมีความปรารถนาดีมีความต้องการดีแต่ทำดีไม่ได้ เพราะอุปนิสัยวาสนาบารมีของเขาเคยสร้างแต่ความไม่ดีมาบางคนสามารถที่จะสร้างความดีปฏิบัติปฏิบฏัติชอบได้อย่างคล่องตัวและชรมนิดทรมนานโดยไม่มีภาระอันใดให้คนอื่นต้องลาอจูนั่นเพราะบุญวาสนาบารมีของเก่าของเข้ามาสนับสนุน ความเป็นไปต่างๆของสัตว์ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตรัส ร, รู้พระองค์โลกโเพนิวาสานุสติยานโลธาตในอดีตของพระองค์ได้แลรูโลูตูปาปาสติายานโลการจุกปีและเกิดทั้งของสัตว์ทั้งหลายได้ โระรธรรมัตรกัจาจายานรวะสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกับในทางปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและบุคคลถ้พระพุทธเจ้าท่านก็พระจามสอนแต่บุคคลผู้ที่ท่านสอนได้ผู้ที่ท่านสอนไม่ได้คูอเทวทัศ ท, ท่านก็ปล่อยตามบุญตามกรรม ถึงแม้ว่าปล่อยตามบุญตามกรรมพระองค์ท่านก็ยังไม่ขาดเมตตาลองคิดดูสิสมมหากรุณาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อท่านเทวทัตท่านเทวทัตขึ้นไปบนยอดเขาคิดจะูอคิดจะทำลายพระพุทธเจ้า เรงก่อนเห็นลงมาหมายจะเหตุทัพพระพุทธเจ้าให้แหลกละเอียดเป็นทุนพิจุนพระองค์ทรงพิจารณาดูวาระกิจของท่านเทวทัตทรงทราบว่าถ้าเทวทัตไม่ได้ทำได้เราแม้แต่นิดหน่อยเทวทัตจะอกแตกตายจะหมดโอกาสที่จะได้กลับเนื้อกลับตัว เมื่อก่อนหินตะเกตหินแต่กระเด็นมาพระองค์ยื่นพระบาทไปรองรับให้ตะเกตห็นที่พระเทวทัศน์โยมลงมานั่นปูหลังประบาทพ่อพระองค์เหิบขึ้นนิดหน่อยและเทวทัศตก็ดีอกดีใจว่าเราได้ทาร้ายพระพุทธเจา้าสมประสงค์แม่ไม่ตายก็ยังดีแล้วก็ยังมีชีวิตต่อไป จนกระทั่งนักนาเข้าพาลุกศิษ์ลูกหาหนีไปจากพระพุทธเจ้าจะไปตั้งศาสนาใหม่แต่เสร็จแล้วไปไปมามาเพราะท่านเทวทัศ ร, รรมนันติแครรมำจิตที่เคยเป็นสมาธิได้ฌานสมาบัติเอเหินเดินอากาศใจก่อทำให้เสื่อมสูญจากคุณงามความดี ทำอนันตริยกรรมเสียก็ผานสมาธิก็เสวมสูงอิทธิฤทธิ์ก็ทังทลายเมื่อก่อนเทวทัศจะไปไหนมาไหนก็อเอินเดินนากาดหลังจากที่ทำอนันตริยกรรมคมุณธรรมสวมไปแล้วไปที่ไหนก็มีแต่เดินซักซักซักซักด่าเสดพอไปไม่ได้เหมือนอย่างก่อน ท่านธุตรบริษัททั้งหลายท่านจะทําำทำรรอะไรที่ท่านอดทนไม่ได้ทําไปเถอะขออย่างเดียวจะไปเถอะทาอนันตริยกรรมก็แล้วกันอนันตริยกรรมนั้นถ้าทาลงไปแล้วส่วนจากบัพสนิพานตั้งอยู่ในฐานป่าลยอยพิภูผู้่ายแพ้ในพระพุทธศาสนาอย่าทํามันบาปนะ่ะ หนึ่งฆ่าปีดาสองฆ่ามารดาสามทำร้ายพระพุทธเจา้าให้หอบพระโลภะโลภิสุขสามฆ่าพระอาราสามฆ่าอาราสี่ฆ่าพระอาราพันห้าทำลายสงฆ์ให้แตกกันระวังนะเวลาพระวัดใดวัดหนึ่งขัดผมประโยชกัน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 ต่างคามก็ต่างมีรูปเพศทั้งพระทั้งโยมแต่กันเป็นเท่เป็นพวกยกพวกขึ้นมาลบกันถ้าพระสงฆ์แตกสามัคคีกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ตฝ่ายสีรูปขึ้นไปนั่นเป็นสังฆเภศในเมื่อสังฆเพศแล้วก็เป็นอนันตริยกรรมทำลายสงฆ์ให้แตกกันบาปนับบาปหนา เพราะฉะนั้นการทำบาปทำกรรมให้ระหวังอนันตริยกรรมให้มากๆการทำบาปอย่างอื่นเช่นค่ามนุ์เป็นต้นแต่ไม่ใช่พ่อใช่แม่ของเราไม่ใช่บุคคลดังกล่าวมาในห้าอย่างนั้นยังมีโอกาสที่จะได้บรรลมมุมรรคมิพริยเช่นพระองคุรีมานข้าคนมาที่นับได้เก้าร้อยเก้าิบเก้าคน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 บาปกรรมอย่างไรที่เราทำมาแล้วยกเว้นอนันตริยกรรมถ้าสงสัยข้องใจว่าเราจะเป็นบาปเป็นกรรมจะปิดทางมรรคผลนิพพานให้พยายามอบมจิตอบรมใจจะได้ไปละลึกถึงมันเป็นอันขาดถ้ามันละลึก แล้วลึกถึงไม่ได้ก็ให้มันลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมากมากจนมันลืมความหลังบ่มันลืมความหลังแล้วจิตก็ไม่จดจ้องอยู่ที่คุณพระพุทธเจ้าคือพุทโธมันก็ไม่ลึกถึงบาปเก่าแก่ที่ผ่านมาแล้วจิตมันก็ไม่ได้ให้ไปกังวลกับบาปในอดีต การ น, นึกถึงพุโทโธเปพุดอานุสติและนึกถึงคุณของระพุตรเจ้าลวมนึกถึงพ็เป็นบุญแม่จิตไม่สงบก็ถามการที่นั่นการทำสมาธิภาวนาในเบื้องต้นนีต้องพยายามเอาสมาธิให้ได้แม้แต่เพียงอุปจาระสมาธิก็ยังดี แต่มันมีอย่างรี้นาญาติโจมตอนจามาเลชิเนนาโถของปูเสิงใหญ่ท่านกล่าวว่าปลุกใจเพื่อลาบมานคาถาปลุกใจก็คือพุทโธพุทโธพุทโธ ทนี่มานี่ตัวขันธามานนี่เป็นตัวสำคัญขันธามานก็คือร่างกายของเรานะั่นแหละนั่งไปนานมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บเมื่อ <Yeah. S 1> มันเกิดปวดเมื่อยเจ็บขึ้นมาแล้วตัวกิเล ส, สมารมันก็มาแท้คืออลติความไม่ยินดีต่อการปฏิบัติ ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมนกลัวตายถอาปฏิบัติมากไปมัน่วไหลเดี๋ยวแค่งขามันจะมึนชาไป่งบกแต่กลายเป็นห้อยเป็นเปรี้ยเลยปฏิบัติต่อไปไม่ได้สูเกเรตสมานมันทำลายทีนี้เวลาขันธมามันแสดงฤทธมันขึ้นมา หากิงในขณะใดาที่เราภาวนาโพธิ์โพผู้โพผู้โทธจิตมันใกล้ใกล้จะสงบนั่นแหละขันธมารมันจะแสดงตัวให้ปรากฏทันทีคว า, ามเจ็บปวดคว า, ามปวดเมื่อยมันก็บังเกิดขึ้นมาประเดียวปวดต้นคอประเดียวปวดหัวประเดียวปวดตาระหว่างหัวเรียวหัวต่อเนี่ย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 นี่ต้องพยายามเอาตรงนี้ให้ได้หาหากราบใดที่เราเอาสมาธิในขั้นตนนี้ไม่ได้แล้วเราพูดไม่รู้าภาษาคนงดจะโมจะว่าฉันก็เก่งเธอก็เก่งพอหันหน้าเข้ามาแล้วทะเลิดเสียงกันอุตรุ เพรฉะนั้นใครเลือดหลักการปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ให้มันแน่วแนวพ่พค้กเทอร์าากับโค้กเทอร์ไปลุกนอพองนอกับลุกนอพองนอไปสัมมาระหังก็สัมมาระหังไปวิธีการปฏิบัติไม่มีเฉพาะแต่สามอย่างดังที่กล่าวมาแล้วเท่านั้นบางทีถ้าขี้เขียนแล้วเราอาจจะนั่งหลับตาทําใจให้มันดูงเฉย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 อน า, าที่บริกรรมภาวนาอยู่ใช้จิตอยู่แบบบริกรรมภาวนาคอยให้มันอยู่ไปแต่ถ้ามันทิ้งบริกรรมภาวนาไปเทียวอย่างอื่นก็ควรคอยให้มันไปบ้างแต่อย่าลืมทำสติกําหนดนตามรูมันเลื่อยไปมีพระองค์หนึ่งบอกว่าทําอย่างนั้นมันก็ยิ่งทุ่งใหญ่สิจังหวะนั้นลองลองดูมันจะพุ่งไหม ถ้าเราจะคิดว่าในขณะใดที่เราบังคับจิตของเราให้หยุดนิ่งหรืออยู่กับบริกรรมภาวนาไม่ได้ถ้าเราจะคิดว่าเอา้าไปแต่คิดไปถึงไหนฉันจะตามดูแกไปจะลงห้วยลงเหวขึ้นฟ้าขึ้นทวันลงนรกฉันจะตามแกไปไปมันเป็นศุกร์กำลังตัวไหนลองดูแล้วโอกาสที่จิตมันจะสงบเป็นสมาธิชอบการตามดูอารมณ์จิตนี่มันจะมีได้ไหม เอ้ยอันนี้มิถ่งจะไปเสือพคนืนเขาเป็นแบบภาวนาผู้พอผู้พ่อผู้พ่อผู้พ่อผู้พ่อจิตท่นจะสงบสว่างมีสมาธิมีปีติมีความสุขโดเสือทั้งตัวเองก็ทำไม่ได้แล้วก็ไปยึดอยู่นั่นแหละทีนีน้ทีหลังมาคนอื่นเขาว่ายุบเนาะองเนาะ ย, ยกเนาะองเนาจิตเขสงบนิ่งว่างสว่างมีปีติมีความสุขพอได้ยินเข้าัวไม่เคยยุบเคยกองกับเขา ป่าว่าเราปฏิบัติไม่ถูกเียนักปฏิบัติของเราอยากเป็นเช่นนั้นให้พยายามทาใจถ้ามันเป็นกางต่อวิธีการปฏิบัติที่กล่าวกล่าวที่สิงเพียงกันขัดกันแย่งกันอยู่นั่นละ่ะเป็นแต่เพียงไปยึดยู่ที่วิธีการเท่านั้นเองเช่นอย่างบางทีบางท่านก็ว่า ภาวนาผู้โทผู้โทจิตมันก็งบเป็นสมถะเท่านั้นแหละไม่ถึงวิปันสนาดอกมาที่ของวัดและภาวนายกน้อยของนอจิตสมบผู้ลมสว่างเข้าถูกถึงวิปันสนาแล้วภาวนาผู้โทจิตสงบผู้ลมนิ่มสว่างร่มจนเป็นสมถะ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 จากการแรกเราจะได้รู้ว่าสภาพปิตนี่ถ้าเราปลกสมออรมเลี้ยมันแล้วมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนจากความวุ่นวายไปสู่ความสงบเงียบเยือกเย็นเปลี่ยนจากความเดือดร้อนไปสู่ความสุขความเยือกเย็นเพียงแค่นี้ก็มองเห็นแล้วว่าความเปลี่ยนมันถ้าเชื่อกําหนดสายความเปลี่ยนแปลงเพราะความหนดรู้อะไรจังซี แล้วโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งถ้าใครมีจิตสงบเป็นสมาธินิ่งทุ๊ลงไปสว่างรุ่งขึ้นมาก็รู้ทันทีว่านี่คือสมาธิความสมงบนิ่งพร้อมจิตเป็นสมาธิคือสมาถะความรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างนี้จิตสงบเป็นสมถะเป็นอย่างนี้เป็นสมาธิเป็นอย่างนี้นนนความรู้แจ้งเห็นจริงหายสงสัยนั่นคือวิปัสสนา จะไม่ที่ยาห า, าเขียงกันให้มันปวดเประวมองทําไรเห็นใน ก, การแก้ปัญหาเรื่องธรรมะมต่างๆในก้กันที่ตรงไหนอะแก้กันที่ตห า, าหูปรมโอ้เต้นกายใจจัจกรโคนาสังมาโอสาทุการสำรวงตาเป็นการดีสาธุโสเตนะสังมรารโอการสำรวมหูเป็นการดี คาเนนสังวโรสาทุการสำรวมจมูกเป็นการดีคิวหายะสังวโรสาธุการสำรวมลิ้นเป็นการดีกายเนนสังวโรสาทุสำรวมกายเป็นการดีมนาสาสังวโรสาทุการสำรวมใจเป็นการดีสามพทาสังมุโตภิกโตพิโตสำรวมในที่ทั้งปวงยอมทนจากทุก มันคนอย่างไรสํารวมตาเนี่ยสํารวมอย่างไรมีตาแล้วไม่ดูมั้นหรือไม่ใช่รู้แต่ต้องให้มีสติอย่าให้มันเป็นตาหาเรื่องหูได้ยินเสียงก็อย่าให้เป็นเสียหูหาเรื่องจมูกก็อย่าให้เป็นจมูกหาเรื่องลิ้นก็อย่าให้เป็นลิ้นหาเรื่อง ก, กายก็อย่าเป็นกายหาเรื่อง ประเดียวยกตัวอย่างเช่นพระเถระกรรมาฐานใดโตเดิ ม, มาเขาจัดปฏิสิงร่รางให้พักอุ้ยมันทำไม่สมเกียดสมยศเราเนี่ยมันกลายกันกายหาเรื่องแล้วมันจะนอนที่ดีๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่อยู่ที่การโฟกสติสำประชันได้ให้รู้พร้อมอยู่ที่ตาหูจมกูกเล่นกาย ใ, ใจ สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นแหละคือความมีสติปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ว่าอะไรเป็นบาสรู้ว่าอะไรเป็นบุญแก้บาปถ้ามันมากมากเพิ่มทุญให้มันมากมากมันก็เป็นการปฏิบัติซีปฏิ บ, บัติครบแต่มันอยู่ที่ความตั้งใจนะ พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าอ า, า, าขาตาโลตถาคตาพระตาาวตเป็นแต่เพียงผู้บอกใครจะได้ดบได้ดีทาเอาแต่อีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะจบบรรยายนีย่ขอแนะนำมิธีสร้างพลังศิ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 ้าใครมีสัจจะความจริงใจมีสัจาะบารบมีใกล้ต่อการตรัสรู้ากขาสาัจจะความจริงใจแล้วยังหา่างพราพระเจ้าเมือ่อพระองค์ทรงเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์บำเพ็ญบารบมีไปบวชเป็นโลตีอยู่ใน่าหิมมาผ่านพระอาหนุนเป็นพระเจ้าแผ่นดินทองทนครหนึ่ง มาถึงหน้าแดงพรวิษีก็ามาทางอากาศมาพักอยู่ในสวนอุทยานของพระเจ้าแผ่นดินอานนท์ทีนี้พระเจ้าแผ่นดินอานนท์ทรงทราบเสด็จไปเฝ้าธรรมสกานถวายการอุปถัมภ์ประทับและบา ร, รมีที่ท่านสร้างร่วมกันมามันเป็นเครื่องกระ ต, ตุ้นือนใจให้เอาใจใส่กัน พระษีก็อนุเคราะห์ด้วยธรรมะด้วยอิทธิฤิอธิษฐานจิตให้พระลาชาพระลาชินีมีความสุขความสบายถวายการอุปถัมภ์ด้วยการให้บุ์มาฉันจังหันในพรลัาสวังทุกวันทุกวันที่ได้โยมาในการครั้งหนึ่งข้าเสกมันมาประชิดชายแด่ เต่วพอโจมพูดรายมันก่อจลาจลขึ้นมาพระเจ้าแผ่นดินยกทัพไปปราบทนมอกนาทีการอุปถัมภ์พระฤาษีไว้กับพระลาทินีพระลาทินีก็ทรงทาธุระนาทีแทนพระองค์เห็นอย่างดีแต่อยู่มาวันหนึ่งเจ้ากรมพระลาทินีจัดสำรับมาวางไว้คอยแล้วคอยแล้วคอยเล่าย่พ่อพระฤาษีก็ไม่เสด็จมาสักที พระฤาษีมาก็เหาะมาเข้าทางหน้าต่างไม่ได้โดนชักทัมาเหมือนอย่างเราบางคนวันนั้นพระราชนีคอยแล้วคอยเล่าจนทรงเน็ดเหนื่อยก็เอ็นพ่อวนกายลงไปไม้อยหลับไปรับอย่างสนิทฝ่ายพระฤาษีก็เข้าทานสมาบัติเคลน พออกจากฐานกามาบัตดเอ้าได้เวลาหันจังหันแล้วอธิษฐานจิตเข้าสู่กมาบัดเข้ามาทางอากาศพอหอมมาทางอากาศหากเกิดลุ่มผมของพารูสีบางทีกดใช้เปลือกไม้บ้างบางทีกดใช้หนังเสือบ้างพอหอมมาทางอากาศเสียงก็ชอบกระดังดโศกศัพท์แต่โดดชึบลงมาภายในห้องท่องพารู พระาที่นีกำลังบรรพมหลักก็ดงององตื่นขึ้นไม่ได้ระวังองลอยทุกย ท, ทุกข์ทุกอย่างกลายกันการยั่วยวนให้พระฤษีเกิดกิเลสพอเสร็จแล้วทานพระฤษีเสื่อมขาดความยับยั้งชั่งใจขาดศีลนไม่ไหวก็กรโดดสั้มพราลาที่ดีโดยฉันจังหันเสร็จหลังจากนั้นก็ พราะมาทางอากาศไม่ได้ต้องเดินเดินมาฉันจังหันฉันทั้งจงหันฉันทั้งเพนแล้วก็กลับไปสู่สวมอุปขญาตจนกระทั่งพระราชาปราบข้าสึกสงบราชาปรงเสด็จกลับพระราชาวางังนับสนมคำนันก็คอยเพ่งหูว่าพระราทีนีนี่ทําไม่ดีมีร้ายกับพระฤาษีแล้วพอพระองค์ทรงสราง พระองค์ก็พิจารณาด้วยวิจารณญาณของนักบาชโดยตั้งทัศน์ใว่าถ้าเราจะไปถามพระฤาษีถ้าพระฤาษีรับอย่างใดเราก็จะรับอย่างนั้นปฏิญญาณอย่างไรเราก็จะรับอย่างนั้นทีนี้พอเสด็จไปเฝ้าก็ถามพระฤาษีว่าพระองค์เจ้ากระพิ่งอย่างนั้นจริงไหมพระฤาษีก็พิจารณาบอกเออพระราชาที่เขาก็นับถือเรา ถ้าเราจะโกหกพระองค์ก็ต้องส่งเชื่วแต่พอเลื่อน อ, อันรนะ้เราสร้างบา ร, รมีเพื่อตรัสนู้แล้วจะมาเสียสัจจะเราจะทูลไปตามความจริงดีกว่าพอพระราชาถามจริงไหมแล้าจริงพระเจ้าขา่ะเมื่อพระคุณเจ้าเรียกทั้งแขร่งในสัจจะบา ร, รมีเสียจริงสิง้การประพจน์เช่นนี้มีโอดถึงคอค่ะ ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินยอมลงโทษพวกกระทำผิดได้โดยอาจญาโดยอำนาจของเราแต่ท่านก็ไม่กลัวความตายหน้าอัจฉรยะเอาละข้าพุทธเจ้าผิดแล้วคุณเจ้าประพฤติรุงเกินไปนั้นขอถวายไม่เอาเรื่องแต่ต่อไปพราคุณเจ้าจะประพฤติเช่นนั้นอีกเราอนุญาตให พอเสร็จแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็เสด็จกลับพระราชวังแล้วก็ไม่ทรงริ้วไม่เอาโทษพระมะเห ส, สีใดๆทั้งนั้นส่วนพระฤาษีก็ได้รับอนุญาตแล้วพระองค์ก็มาพิจรารณาบ่าโอ้ความสิดหายบายก็ยเต็มเพราะเรามาสู่แดนมนุษย์นี่นะหนอสู่แดนมนุษย์นี่มันมีแต่ภัยอันตรายพระอาจารย์ของเราสอนไว้ว่าไปสู่แดนมนุษย์แล้วใ่ ล้ ว, วังตัดมีเขาที่อดมันจะปิดเอาตายเราก็มาเจอถ้าจริงๆอย่างนี้สิอย่าล้ต่อไปนี้เราไม่มาใกล้มันอีกแล้วเสร็จแล้วก็อธิษฐานจิตเข้าทานะมาบาททัดเพาะห น, นีไปอยู่ป่าหิมพานตั้งแต่บัดนั้นรงกระทั่งได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าซึงสเสด็จลงมาสูโ่โลกในเครื่อนหน้าของสัจจารมีความจริง เพรศรู้ว่าตัวผิดภูดรู้ว่าตัวผู้ไม่โกหกใครเพดรักไปตามผิดภูรับไปตามผู้ผนั่นเป็นการสร้างสัจจะบารมีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ควรจะได้ฝึกหัดตัวเองให้มีสัจจะบารมีบ้างเราจะสวดมนต์ทำบัตรร่วมกันทุกวันจะนั่งสมาธิทุกวันโดนจงกรมทุกวัน จะนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งก็นั่งให้มันได้สามสิบนาทีก็นั่งให้มันได้อย่าไปหล่อแหลกนี่คือการสร้างบารามีโดยจะพาะอย่างยิ่งลง้มปูนเสานี่ท่านสอนให้นอนสี่ทุ่มถึงปีสามนอนสี่ทุ่มถึงปีสาม 4, อันนี้เป็นหลักคําสอนที่เบิ่งๆท่านเที่ยวเห็นนักหนาหากใครปฏิบัติได้แล้วท่านบอกว่ามันจะมีพลังจิตพลังใจมีสัจธรรมจริงใจ เอาละนะพอสมควรแล้วผนะมพูดกเพินไปผมฟังก็ผเมือ่อยเจ็บแย่ก่เห็วนว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอรุดสิการบรรยายธรรมะพอเป็นกสิทิ์เชื่อนใจของท่านทั้งหลายด้วยเวลาเพียงเท่านี้กำหนดสิด่างไรเดินตรงความกบภาวนาผูท้ทอผู้ทอย่างเก่านั่นแหละ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 วันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าแบ่งให้มันเท่าเท่ากันได้อย่างดีเอ่าวันนี้เอ า, เอาแค่นี้เนาะ